ทีนี้พูดถึงสัจจะสี่ประการเนี่ยนะอันเนี้ยลึกซึ้งเพราะเห็นยากอันนี้เห็นยากเพราะลึกซึ้งเนี่ยนะ ลึกซึ้งอ่ะเพราะมันไม่ยอมจะเห็นถามว่าเอ้เนี่ยทุกเนี่ยมันลึกซึ้งไหมตัวมันไม่ลึกหรอกแต่ว่ามันไม่ยอมเห็นเวลาเห็นอย่างที่สอนมาโอ้ชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโท ม, มาัาอุปายาตเดินมาแล้วหนอเดี๋ยวก็ชาติชารามรณะจะไปต่อแล้วหนอเห็นอย่างนี้ไหมไม่เห็นหรือนี่ทุกนี่ทุกกระทุกนี่วิปริณามาทุกเนี่ยก็ไม่ยอมเห็นอันนี้แหละที่เรียกว่า มันลึกซึ้งตัวมันไม่ได้ลึกซึ้งอ่ะนะคันหน้าลึกที่ไหนอ่ะนะโอ้นหนักคนละหกห้าหกเจ็ดิบแปดสิบกิโลนี่จะไปลึกซึ้งได้ยังไงไม่ตัวเขาไม่ลึกหรอกแต่ว่าที่มันลึกเพราะเราไม่ยอมเห็นว่าไม่ยอมเห็นทุกว่าเป็นยังไงนะไม่ยอมเห็นว่าทุกเนี่ยปีละนะนะสันตาปะเนี่ยนะนะวิอะไรนะสังฆตาวิปรินามะ นนะอันนี้เราก็ไม่ยอมเห็นใช่ไหมชาติเป็นต้นก็ไม่ค่อยเห็นทุกข์ทุกเป็นต้นก็ไม่ค่อยเห็นรู้โอ้โหมันเลยลึกซึ้งไ <c oughs> น, น, นะไม่ใช่ภาษาไทยไทยเรานี่แหละมันเห็นวนะโอ้เกิดแก่เจ็บตายมาแล้วหนาไปแล้วหนอขันท่ามาแล้วขันท่าไปแล้วทุกข์ทุกมาแล้วเนี่ย น, นะเป็นต้นเนี่ยไม่ค่อยนึกอย่างนี้นะน้อยนักที่จะนึก อันนี้แหละเขาเรียกว่าทุกเนี่ยเห็นยากเพราะลึกซึ้งไอ้ลึกซึ้งเพอเห็นยากเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยน้อยนักที่จะเห็นสองกระจกทีหนึ่งน่าจะเห็นทีหนึ่งเนาะเห็นเหรอเห็นคือเห็นเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยตาเนื้อมันก็เห็นอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นคือถ้าใครเจริญไอ้ธรรมวิจยะสมโพชงวิจัยวันนี้ทุกขัตว์เนี่ยนะ มันเป็นทุกยังไงมันเป็นทุกกะทุกยังไงมันเป็นที่ตั้งแห่งชาติทุกยังไงมันเบียดเบียนยังไงมันร้อนยังไงมันถูกปรุงแต่งยังไงมันไม่เที่ยงยังไงอ่ะเนี่ยการเข้าไปวิจัยลักษณะนี้แหละอันนี้นะตัวปัญญาที่จะเข้าไปเห็นแบบเนี่ยเรียกว่าเห็นยากเพราะตัวปัญญามันไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยเกิดเพื่อจะเพื่อจะเห็นก็เลยเรียกว่าทุกเนี่ยเห็นนะลึกซึ้งพราะเห็นยาก ตันหานะอย่างสมมติตันหาเนี่เอาก็ชอบคนก็รู้ว่าตัวเองชอบใช่ไหมชอบอะไรเราก็รู้เราชอบมากชอบน้อยชอบนิดชอบหน่อยชอบเยอะชอบจนเรียกว่าขาดไม่ได้เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าน้อยครั้งนักที่เราจะเห็นว่าตันหานําไปสู่พบใหม่เนี่ยนะนำไปสู่พบใหม่นะหมคืออรูหนะเนี่ยนะ น้อยนักที่เราจะมองเห็นยังไงเคยมีความรู้สึกว่านี่เราชอบสีเนี่ยทาให้มีตาด้วยหรื อ, อยังไงนะชอบเสียงทำให้มีหูด้วยหรือชอบกลิ่นทำให้มีจมูกด้วยหรือชอบรสทำให้มีลิ้นด้วยหรือชอบโพธาภะทาให้มีกายด้วยหรือชอบธรรมารมทำให้มีใจด้วยหรือเนี่ยนะหรือว่าตัวนี้นะบางอย่างเป็นทิฏฐธรรมให้ผลในปัจจุบันก็มี ให้ผลเป็นอุปช้าชาติต่อไปพบถัดไปก็มีให้ผลเป็นอัปราปริยะให้ผลถัดจากพบที่สองหลังจากพบที่สองก็คือชาติที่สามเป็นต้นไปก็มีพันน้อยนักที่จะมีปัญญาเห็นแบบนี้หรือ น, าน่าหนักที่ว่านี่นะนิทานนิทานเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์นะเนี่ยตัวเนี้ยโยนทุกข์มาให้แน่นอนเนี่ยนะ โยนมาซึ่งทุกแน่นอนโยนมาในพบแน่นอนเนี่ยนะก็เราว น, นิทานแล้วก็เป็นอะไรสังโยน์เนี่ยนะสังโยคกับสังโยต์กลุ่มเดียวกันเนี่ยตัวที่ถ้าพูดภาษาช่างง่ายดีตัวไขขันเกลียวไว้นั่นเนี่ยนะไม่ยอมให้หลุดง่ายๆหรอกนะไม่ยอมให้หลุดจากวัตตาง่ายๆมันขันเอาไว้เกลียวแน่นเลยนะ บอกว่าอะไรนะสังสาราจเนี่ยนะที่มันแก้ยากที่สุดคือเพราะมันขันมีแต่ขันแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านะนั้นเจริญวิปัสนาเจริญไปเจริญมาเอาถูกขันน็อปเจีบไปอีกแล้วเนี่ยนะแล้วก็เป็นปริโทษโอห่วงใหญ่มากนะวตะเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแอดนะตัวตันหาเนี่ยกิจของเขาคือทําให้ห่วงใหญ่รู้ว่ามันไม่ดีแต่มันห่วงใหญ่ สมมติมอานนะอย่างอย่างชีวิตของเรานะถามว่ามันน่ารักสักปานใดเชียวนะยิ่งยิ่งป่วยด้วยยิ่งอายุก็มากด้วยอะไรต้นต น, นะถามว่ามันน่าห่วงใยขนาดไหนแต่มันก็้ยห่วงใหยจริงๆเลยนะมันพวกตัวตันหาพวกเนี้ยเรียกว่าตัวเข้าเองเนี่ยมันหยาบมากๆแหละแต่ว่ามองไม่เห็นว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เลยสรุปพู้ต่ออ้ออธิบายว่าลึกซึ้งเพราะเห็นยากนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะอยากจะพูดตรงๆว่าค่อยคิดจะเห็นม้งหรือเปล่าก็ไม่ทราบมีมีประการเราเลยนะมีมีมีมีพูดเอาใจซะหน่อยนะให้ขนมมาจานซะหน่อย ให้ติมท่านหน่อยเชงว่าสิเนาะ เข้านะเขาไม่งงอย่างเดิมแล้วเนี่ยเขากเห็นพระเขาก็นอะเนี่ยเขามั่ใจเลยบอกไม่ใช่ปทะเลยนะเขาพูดจริงจังเลยนะเขาพูดอย่านีนะใครจะมาว่าฉันปะทะปรมากนะฉันบรรลุได้นะแต่เมื่อไรเรื่องหนึนะอาจารเกตก็อย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นปะทะปรมากเลยแล้วไม่ได้บรรลุถาวรเลยสรุปนะว่าที่ที่เป็นไปได้ที่เราจะเลืกว่นนี้ทุกเนี่ยนะ จริงๆอ่ะตัวทุกเองก็ไม่ได้หยาบอะไรหรอกเนี่ยนะจานแดงก็น่าจะเห็นเลยนะเข้าออกทุกวันเนี่ยนะนี่ทุกข์ทุกข์ก็ทุกเป็นต้นเนี่ยนะมองเห็นเลยนะเตียงไหนไม่ทุกข์ก็ทุกบ้างอ่ะถ้าคนไข้ไม่มีทุกข์ก็ทุกน้อยนัก น, นะที่จะไปหาหมอแล้วก็ตันหาอะไรบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาในโลกนี้นะไม่มีใช่ไหมถ้าตันหาชอบเนี่ยนําไปสู่พบใหม่นะเป็นเหตุแห่งทุกข์นะ ผูกเอาไว้ในทุกนะกังวลอยู่ในกองทุกเหล่านี้นี่แหละเนี่ยเ น, นีอันนี้แหละที่เรียกว่ามันลึกซึ้งเพราะว่าเห็นยากแต่ว่าไม่เป็นไรสมาทานที่จะเห็นตั้งความปรารถนาเลยสาธุ ข, ขอให้ข้าพเจ้ามองเห็นคุณบุญชูเป็นปีรณะนะสันตาปะสังคตะวิปริณามะตั้งความปรารถนาไว้นะไม่ตั้งความปรารถนาไม่เห็นรอกนะ ดังความปารถนาว่าขอให้เห็นมาปั๊บนึกเลยชาที่พิทุกขาชาลาปีทุกขาเลยนะนี่ทุกนี้ทุกกะทุกนี้วิปริณามทุกนี้สังขารทุกขนะต้องตั้งต้องสมาทานเอาไว้ให้เห็นอย่างนั้นนะถ้าไม่สมาทานที่จะเห็นนะอย่าคิดนะว่าจะเห็นไม่ยอมเห็นหรอกถึงเห็นนะก็ยังไม่เป็นไรน้านิดๆหน่นอยๆ น, น, นะเจ็บป่วยแค่นี้ไม่เป็นไรเรอก็จะเป็นลักษณะอะไรนะมันคิดแบบคิดแบบคนเฝ้าวตานะมันไม่ได้คิดแบบคนออกจาก วตะท่านก็ต้องไปนึกอย่างนี้บ่อยๆ อ, อันนี้แหละที่ที่สอนปฏิบัติแล้วนะใครไม่ไปปฏิบัติเดียวเหอะนี้ไม่ไม่ไปคิดตามเนี่ยจะทะเลาะกันแล้วคันนี้เมื่อไหร่จะสอนปฏิบัติสักทีทวงเมื่อไหร่ก็ไม่ค่อยจะยอม พวงเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นไปทําตามสักอย่างบอกว่าเราไม่สอนปฏิบัติอมันก็ใครเห็นผู้การบอกนี i, ้ทุกเอามันจริงไหมล่ะเอาทุกกะทุ ก, ทกจริงๆอ่ะ <laughs> ถ้าถ้าผู้การโกรธก <laughs> ็ก็นี i, k, ้ทุกกะทุกปรากฏเลยนะอพวกครับ <laughs> <laughs> ผู้การโกรธอันนี k, ้ทุกกะทุกแกหัวเราะนี้วิปริณามาทุก์ ก็นั่งเฉยๆนี้สังขารทุกเอาทุกสามอย่างไนอะชาติปีทุกขาเป็นต้นก็นไม่พ้นไม่คิดดูเถอะพ้นที่ไหนอ่ะ ก, ก็อยู่อย่างนี้แหละอนะถามวา่าวัตถุเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินใช่หรือไม่อ่นะเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่ได้ถามว่ามีผู้การเป็นอารมณ์แล้วเกิดชาติหน้าได้ไหมทำไมจะไม่ได้อ่นะเกี่ยวข้องกับผู้การนะก่อนตายนึกถึงผู้การอนยะ่าง พบใหม่ก็มีผู้การเป็นอารมณ์ทั้งชาติเลยชาติน่ะก็เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งกรรมมนิมิตใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งกรรมมณิมิตก่อนเพราะอย่างสมมุติว่าใครที um. ่เกี่ยวข้องกับผู้การในลักษณะไหนเนะนึกถึงผู้การเมื่อไหร่เป็นั้าเป็นกรรมมนิมิตก่อนอย่างเช่นสมมุตินะ ถ้าคนที่เป็นสมมติถ้ามองในแง่พ่อเนี่ยจะเห็นชัดเลยใครที่เกี่ยวข้องสมมุตินะสมมุติถ้าเป็นเป็นลูกหลานผู้การนะนึกถึงผู้การปั๊บนี่พ่อจะรู้เลยว่าเขาได้ทำอะไรไว้กับผู้การบ้าง น, นะโดยมากเกี่ยวข้องกับพ่อในฐานะอะไรเนี่ยนั่นจะบอกว่าพบใหม่เขาคืออะไรพบใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าควรจะเป็นสุขติหรือทุคติ เพราะเป็นกรรมมณมิตรอารมณ์เนีหมอย่างสมมุตินะขอมาเนี่ยมีโยมพ่อเป็นอารมณ์เนี่ยควรจะเกิดที่ไหนอะก็ว่าไปตามเนี่ยเกี่ยวข้องแบบไหนเห็นไหมนึกแป๊บเนี่ยก็ได้ละเกี่ยวข้องด้วยกุศลมากก็ไปดีเกี่ยวข้องด้วยอกุศลก็ไปไม่ดีแล้วแต่นึกถึงช่วงไหนอ่ะเห็นไหมใช่ เขาได้นํามาหรอกมาๆมาเองนั่งรถมาเองบอกผู้การไปนำมาเออแต่ใช่นะวัดตรรทานี้ผู้การไปนํามาจริงๆใช่ใช่ในวัดบรรทานี้ผู้การไปนํามาเนี่ยนะก็แล้วแต่คือคือปัญหาสําคัญว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยหมายถึงไม่ได้พูดให้ไปคิดในแง่นั้นหรอกแต่คิดว่า เมื่อเราคิดถึงสมมุติว่าใครก็ได้สักคนหนึ่งเนี่ยนะจิตที่คิดเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลตรงนี้ต่างหากักเนี่ยนะว่าคือชาวนะมันมีสองชาติไม่กุศลก็อกุศล <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราเป็นกุศลหรือเราจะเป็นอกุศลหรือจะอะไรก็ช่างเถอะแต่ยังไงเมื่อนึกถึงอะไรสักอย่างก็สองอย่างนะไม่กุศลก็อกุศลทีนี้วิธีคิดง่ายๆนะให้หากุศลก่อน ทานเข้าไหมศีลเข้าไหมสมถะวิปัสสนาหรือเอาง่ายๆในหนึ่งนะปิดกสามมาสักปิดกหนึ่งไหมถ้าไม่มาเลยก็เขาละคิดยังไงคิดานหนึ่งนะวิธีหาว่าสุภาพนิมิตหรือปฏิฆานิมิต อ่ น, นะถ้าสุภ า, าก็เลยบอกได้เลยว่าเป็นโลภาปฏิฆะก็บอกได้เลยว่าเป็นโทสะอันนี้ใช่หรือไม่อันนี้ก็สามารถอ่านได้เลยแต่ชั้นแรกๆให้ถามหากุศลดูก่อนเผื่อจะมีแล้วก็ไปคิดเรื่องกุศลต่อไปพูดถึงคำวันวันนั้ น, น, น, นที่มาจึงไม่ผู้การช่วยรับไปวัดอุโมงค์ทีผู้ ก, การรับมาไหนเลยรับมาวัดกุติ คุณนีราวันพูดถูกแล้วทีนี้ต่อไปนะนิโร ศ, ศจักรกับมรคศจะนี้อะไรสภาวะของเขานี้ลึกซึ้งที่เห็นยากเพราะตัวเขาเนี่ยลึกซึ้งจริงๆอย่างนิโร ศ, ศจัจะเนี่ยนะท่านบอกว่าอะไรนะถ้าใครตั้งความเพียรเพื่อจะบรรลุนิโรบบรรลุมรคเนี่ยนะ อันนี้ลึกซึ้งเหมือนถ้าเอื้อมมือไปจับนะจับอะไรพระกะมถ้าเหยียดเท้าลงไปเอเวจีเนี่ยยากขนาดนั้นคิดดูนะว่าทำไมจึงจะไม่ยากอะ่ะด่านคือปริญญาเราแม่นขนาดไหนปาหานะเราดีขนาดไหนะนะก็รู้เลยว่าเขาลึกซึ้งจริงๆอย่างเช่นอย่างอย่างที่ว่าสมมติว่ามองเห็นรูปหรือสีเนี่ยนะรูป หรือรูปประคันก็ได้รูปเลยไปหารูปนิโรธไหม <c oughs> ดูที่แผ่นดินมันหนาขนาดไหน <c oughs> อวิชาเนี่ยหนาขนาดไหนนะ <c oughs> รูปรูปนิโรธอย่างเงี้ย น, นะ <c oughs> เวทนาเวทนานิโรธ <c oughs> ะนะดูเลยไหมว่าเาไม่ผิดความจริงจริงอ่ะนะว่าเป็น <c oughs> <c oughs> ลึกซึ้งมากๆเลยนะมองเห็นจกักรคูเลยไปหาจากักรคูนิโรธ ถ้าอย่างนี้นะท่านนึกนึกบ้างก็แสดงว่ามีเขาละอันนี้ลึกซึ้งนะและที่ยากไปกว่า น, นั้นก็คือนึกยังไงให้เป็นสิกขาสามอ น, นะเมื่อเรารู้แล้วใช่ไหมว่ารูปเป็นทุกข์รูปนิโรธเป็นสุขทีนี้เมื่อมีรูปเนี่ยเป็นยังไงจึงจะเป็นสิกขาสามอ่ะนึกนะอาวัชนะอาวัชนะนี่อะไรเนะี่ย อาวัชนะเมื่อนึกก็เป็นสิกขาใช่ไหมเมื่อนึกเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานจิตเนี่ยสมาทานให้วัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสิกขาเลยหรือคิดยังไงรูปเนี้ยไม่เป็นสุภาษณิมิตไม่เป็นปฏิฆานิมิตและไม่เป็นอุเบกขานิมิตอุเบกขาี่มันปกตินะสุภาใกล้ต่อ ราคะปฏิคะใกล้ต่อโทสะอุเบกขาใกล้ต่อโมหะคิดยังไงให้มันตรงกันข้ามเนี่ยเอาเนี่ยคิดยังไงจึงจะละราคะได้คิดยังไงจึงจะกาจัดโทสะได้คิดยังไง จ, ง จ, จ, ไงไงจึงจะไม่เข า, เานะก็สูตรของเ้าก็มีอะไรนะเามีสูตรให้คิดอยู่แล้วใช่ไหมภู้า ก, ก็สอนอยู่แล้วเหตุเกิดเอางี้ก่อน พูดง่ายๆองค์ประกอบอันเนี้ยถ้าคนที่เรียนปัจจัยมาเนี่ยนะบอกว่าแยกสหาชาติธรรมดูในเนี้ยมีองประกอบอะไรบ้างหรือออกมาดูิ <S <S ก็คือเบื้องต้นเลยนะหรือสองวิธีผลิตหรือประกอบเรียกว่าสมูทัยสมูทายังคะของเขาคืออะไรอันนี้รู้ดูวิธีสร้างเขาสร้างขึ้นยังไงใช่ หรือพูดอีกในหนึ่งนะต้องมองแบบว่าองค์ประกอบคือตัวอันนะั้นตัวนี้เขาบอกว่าเป็นนี้ศิลเนี่ยนะวัตถุแห่งนี้ศิล น, นี่ตัวนี้มาอย่างไงอันนะั้นสะสางได้ยังไงดับดั บ, ดบนี่ดับศิลก้อนนี้ได้ยังไงคือต้องมองว่าวัตถุตัวนี้มันเป็นที่ตั้งแหง่งแห่งทุกใช่ไหมดับมันได้ยังไงนี่เรียกว่าอักขังขมะ คุณวิลาวันเนี่ยคำนี้นะสองคำเนี่ยเป็นคำที่คุณวิลาวันได้ยินไม่น้อยกับผู้การนะได้ยินมานานแต่ทีละนี่นนมนานมากแล้วจนจะลืมหมดลวแล้วลก็อะไรอาศาทาอาทีนว ะ, นวะและนิสรนะณะนีนะ่นะสมุทัยังค้าก็คือตัวเหตุเกิดใช่ไหม สิ่งนั้นอะเกิดด้วยองค์ประกอบเท่าไหร่แต่ทีนี้วิธีนึกนะให้ไป น, นึกที่วิบากกับกรรมมารูปเป็นประมาณไปเพราะว่าไปวิเคราะห์ว่านี้ก้อนอิดก้อนอิดก็ไม่มีนิพพยกรูปแปดแล้ววิธีสร้างก้อนอิดสร้างยังไงแล้วดับก้อนอิดเราจำเป็นต้องไปดับด้วยหรื อ, อใช่ไหมไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอะเพราะว่าเพราะธรรมชาติของเขาก็เป็น อันนี้จังทุกขังอนัตตาโดยธรรมชาติไม่น่ากลัวเท่าไรแต่วันนี้จักขูส่สิจักขู่มีองค์ประกอบเท่าไหร่แล้วก็เหตุเกิดจักขู่มีอะไรบ้างแล้วจักขู่จะดับดับได้ยังไงแต่ดับไม่ง่ายนะเพราะว่าโหมีตาเนะียเคยถามยิงยงใครเบื่อที่จะเห็นบ้างนะตื่นนะต้องเห็นอีกแล้วหรือเนี่ยเบื่อการเห็นที่สุดเลยนะอะไรก็ช่างเถอะที่มันต้องลืมตาดูเนี่ยนะอาจารย์สอนเคยมีบ้างหรือ ย, ยัง มีอยู่แล้วนะมีบ้างแล้วนะคุณน่ราวันมีบ้างไหมคือตอนนี้พยายามพยายากจะเห็นการคือเห็นพระพุทธเจ้ามาเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ออสาธุอ๋อคุณคุณมัญชูเบื่อที่จะเห็นหรยังฮชักชักเอาบ้างแล้วนะว่าต้องเห็นอีกแล้วเลยเนี่ยเนี่ยนะอันนี้แหละแต่ว่าน้อยนักที่จะคิดอย่างเนี้ยนะเพราะอะไรเพราะอัสาธทวานตาเนี่ยมันมันแรงมากอะนะที่จะเห็นนะ ก็สังเกตดูง <laughs> so so like mm ่ายๆนะลองนั hmm. so our our our ่งหลับตาดูสักชั่วโมงหนึ่งก็เดี๋ยวอยากจะลืมตาดูมันอะไรยิ่งข้อค่อยๆด้วยนะถ้าเป็นอยู่ในต่าเราใช้ไปสองดูหน่อยมันอะไรนั่นเพราะว่าอัสาธาของทวารตามันมันมันแรงนะเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะใช่ไหมแต่ว่าโทษของเขาก็เหลือล้นเนยนะจากการดูการเห็นเนี่ยมีโทษมากจริงๆเลยนะบางเรื่องนะถ้าไม่เห็นสักอย่างเดียวเนี่ยทุกมันก็ไม่มี นะยังชอบที่พระพุทธเจ้าสอนพระมาลุงกะยะเลยนะให้เอาเป็นเครื่องเปรียบไม่เคยเห็นไม่คิดจากเห็นและก็ไม่ใช่กําลังเห็นเนี่ยนะให้เห็นอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยทำใจให้มันได้ขนาดนั้นนะจักสา ม, มารถทําที่สุดแห่งทุกได้ก็จริงๆอ่ะนะตัวถ้าคิดราคาเนี่ยนะคิดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับราคาเนี่ยอะไรสิกขาอะไรคิดตรงกันข้ามกับราคาคืออธิจิตติสิขา คิดตรงข้ามกับโทสะคืออธิศีและสิกขาคิดตรงกันข้ามกับโมหะคืออธิปัญญาสิกขาถ้าใครไม่สมาทานที่จะบอกว่าทุกอารมณ์ต้องเจริญสิกขาให้ได้นะเขาชื่อว่าไม่สมาทานอริยมรรคไม่สมาทานประพฤติมรรคนะถ้าไม่ประพฤติมรรคแล้วจะบรรลุได้ยังไง ก็คิดดูนะว่าวัตถุใดมั่งที่เราเอามาเป็นที่ตั้งแห่งสิขาสามเช่นยกตัวอย่างนะตอนนี้ผู้การเข้าอาหารเรปฏิกูลสัญญาอาหารก็แล้วกันอะอาหารเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุศีนเท่าไหร่น่นะเพราะฉะนั้นถ้าทุศีลก็คือโทสะดีๆนี่ใช่เกี่ยวข้องกับอาหารเช่อนอาหารถ้าเป็นเป็นผลพวงของชีวิตรูปมาเนี่ยนะ กว่าอาหารนี้จะได้มาเป็นผลของอะไรปานาตีบาดก่อนหรืออาทินนาก็ได้หรือเอาสมมติถึงผักก็ตามเหอะน้อยนักที่ผักนั้นจะไม่ถูกพ่นยาพ่นทำไมพ่นเพื่อจะให้แมลงอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนไม่ใช่แล้วใช่ไหมท่านก็ออกมาอันนี้ก็มากรมปานาหรือไม่ก็อาทินนา เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ถามว่ากว่าจะเป็นผักมานะพพูดมากี่คำแล้วะเป็นที่ตั้งแห่งอะไรศีล น, นะใช่แล้วแล้วเราบริโภคเนี่ยปัจเจกไหมเพื่อจะให้รู้ว่าเป็นปัจจยอารรศนิสิตศีลพิจารณาอาหารไหมแล้วก็อาหารเนี่ยได้มาอย่างไรอันนั้นคือ อาชีว์ปาริสุทธิศินถ้าเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็เป็นการอบรมอธิจิตตสิกขาและพิจารณาพระโตนเนี่ยนะโดยผลผลเนี่ยมาเลี้ยงมหาพูดในภายในเป็นต้นก็เป็นเบื้องต้นของยาตะปริญญาถ้าอาหารดับรูปนี้ก็ดับเป็นต้นก็จะต่อด้วยตีรณะปริญญานั้นเกี่ยวกับอาหารเนี่ยทำเจริญ สิกขาสามมันจะต้องเจริญสิกขาสามในอาหารให้ได้เขาบอกว่าให้สมาทานประพฤต์นะหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่งหม่มสองเรื่องอาหารสามเรื่องที่อยู่สี่ยาเนี่ยยาก็อยู่กับกลุ่มอาหารอยู่แล้วกลุ่มเดียวกันกับอาหารมันก็จะตามด้วยสิกขาสามก็สามารถที่จะเจริญได้ตัวนี้นะต้องสมาทานนะถ้าไม่สมาทานสิกขาเหล่านี้ไม่มีสมาทานไว้ก่อนว่าจะต้องเจริญอย่างนี้ นนะจะต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ให้ได้สักวันหนึ่ง น, นะก็สมัานอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆถ้าไม่สมาธาเนนีะ่รอให้สิกขาเกิดเองว่อยู่ๆแล้วศีลมันเกิดขึ้นมาคนเองน้อยนักนะนะพวกลาบลอยทั้งหลายอันนะั้นโลกของหวยอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าสมถาวิปัสนาเนี่ยอยู่ๆแล้วมันเกิดสมถาวิปัสนาขึ้นมาเองไม่มี ทันทีบอกกล่าวว่าการปรารพเพื่อที่จะแทงตลอดนิโรธกับมรคเนี่ยเหมือนอะไรนะถ้าเอื้อมือขึ้นเพราะว่ากับพรมถ้าย่างเท้าลงอเวจีมันกว้างขวางลึกซึ้งขนาดนั้นเพราะว่าโดยที่สุดแม้แต่สัตว์ที่จะสมาทานประพฤติอย่างน้อยจะกล่าวไปใหญ่ถึงจะบรรลุเนี่ยนะยิ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่า น้อยคนนักที่จะสมาทานให้เห็นสัจจะสี่เขาเขาอยากเป็นโสดาบันจริงแต่เขาไม่ได้สมาทานเพื่อจะเห็นสัจจะอะไรนี่ไม่ได้ตั้งความปรารถนาให้เห็นสัจจะแต่ขอคำว่าโสดาบันขอโดยชื่อนะอย่างที่สมณเนรรูปหนึ่งสมณเนปรารถนาอะไรบอกโสดาบันนี่นะเจ็ดปีผ่านไป ศึกไปล้ศึกไปล้ว ป, วปาถนาโชดาวันนะี่ไม่รู้ศีลห้ายังเหลือบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเขาเขาพูดไม่ค่อยถูกอยู่แล้วเ ข, เขาพูดไม่ค่อยเป็นแต่เขาเขาพูดไม่ค่อยนี่เนาะคุณไม่ค่อยถูกล้ทีนี้ถ้าถ้าศึกษาธรรมะไม่ไม่ไม่ดีเนี่ยนะการศึกษาเพื่อให้ทํากิจในอริยสัจเป็นเนี่ยนะเป็ น, เ ป, นเป็นการศึกษาที่ที่ถูกต้องที่สุด ัการปฏิบัติธรรมหรือการหลีกเล่นเขาหลีกเล่นไปเพื่อค้นคว้าอริยสัจไปค้นคว้าอริยสัจไปคิดเรื่องอริยสัจไปตรึกเรื่องอริยสัจไปพิจารณาอริยสัจว่ามันเป็นทุกข์ยังไงไม่ใช่ว่าจะต้องไปเกี่ยวข้องแล้วจึงเอามาทําปริญญาใช่ไหมบุคคลเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาหลีกเล่นเนี่ยเขาหลีก เ, เล่เนไง เหล็กเรนเพื่อจะทำปริญญาในกองทุกข์ไม่ใช่ไปดูให้เห็นทุกแล้วก็มาทำปริญญาไม่ใช่เขาบอกว่าชีวิตที่ทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยนะถือว่าวัตถุดิบพอแล้วจริงๆนะเพราะก็เขามีหลักการให้หนึ่งเอาทุกขตาสามไปคิดนะในที่หนึ่ ง, งสองชาติตทุกข์เป็นต้นนะ ชาติทุกข์หรือหรือโตสี่สิบทุกอย่างที่ไปเกี่ยวข้องนึกให้มันได้โตสี่สิบก็แล้วกันหรืออีกนายหนึ่งปีละนะเป็นต้นเนี่ยนะอีกสี่กลุ่มเนี่ยนะไปคิดดูวัตถุดิบคืออะไรทุกเรื่องที่ผ่านมาทุกอย่างที่ปรารถนาจะเป็นก็เอามาคำนวณลงพวกนี้นะ เพราะฉะนั้นเขาเขาไม่ได้มาไล่แบบนี้อะไรนะซอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเขาไม่ได้คิดอยู่แค่นั้นหรอกเพราะว่าเขาคำเหล่านี้อยู่ในชีวิตที่เป็นจริงนะไม่ใช่ว่าอยู่ในตำราอะไรเพราะฉะนั้นอย่างา ง, ง่ายๆว่าวัตถุเนี่ยเอาบุคคลที่เราเกี่ยวข้องก่อนนะเครือญาตอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเนี่ย เขาปฏิบัติเพื่อกำจัดฉันธราค้ในปยรูปสาตรูปเนี่ยนะก็เอาเช่นเครือญาติเนี่ยมาจับเลยเข้าพวกนี้ไหมเพราะคนอื่นตายเครื่องเมืองนะเราไม่เสียใจยเท่ากระยาดเราตายคนเดียวหรอกอพราะนั้นก็ญาติทั้งหลายเนี่ยจึงต้องเอามาทำปริญญาหรือข้าวของเครื่องใช้ของเราใช่ไหมไรนาและที่ดิน ถ้าเป็นพวกอะไรนะไรนาที่ดินบ้านช่องเป็นต้นก็ชื่อว่ากล่าวแล้วนะสัตว์ของเลี้ยงเป็นต้นแล้วก็เพื่อนแล้วก็ที่ไม่ควรลืมคือตัวเองอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะก็เอามาคิดเนี่ยเข้าเนี่ยทุกคตาสามทั้งอดีตแล้วก็คูณอะไรอกีกการสามอดีตอนาคตแล้ว ปัจจุบันเนี่ยนะก็ว่าไปตามเนี่ยทีนี้ก็ถ้าเป็นพวกที่พหูสูตรมากก็หาสูตรมาใส่สูตรอนิจจังว่ายังไงสูตรทุกขังว่ายังไงสูตรอนัตตาว่ายังไงเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็มีรายละเอียดพวกนี่กว้างขวางเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นเขาหลีกเร่นไปเพื่อที่จะตรึกเรื่องนี้เพื่อที่จะค้นคว้าในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเขาเจริญอย่างนี้ไม่ได้เขาทำยังไงเขาก็เจริญพุทธานุสติ พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ทุกทุกขสมุทัยทุกคเนโรทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์ตรัสรู้จากโคจากโคสมุทัยจากขคเนโรจากขคเนโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะเขาก็เจริญพุทธคุณแทนนีนะแต่พิจารณาไม่ได้ก็เจริญพุทธคุณไปก่อนแล้วก็ถ้าเจริญสว่างขาโตก็พระธรรมเหล่านี้พระองค์อมาสอเนี่ยเป็นการสอนที่ดีแล้วก็เจริญอะไรสสวางขาโตใช่ไหม เสร็จแล้วก็บอกผู้ที่ปฏิบัติเห็นอริยสัพน์นี้มีอยู่น ะ, ะพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนะก็เจริญอะไรสังฆคุณเจริญสังฆคุณแล้วก็มาละลึกถึงศีลของตัวเองเป็นต้นแล้วก็เจริญพวกนี้ต่อไปก็สลับกับการเจริญอนุสติบ้างเจริญสมถะวิปัสนาควบคู่กันไปอย่างนี้จนกว่าจะจะอะไรจะถึงที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ด้วยปริญญาสามหมดเวลาแล้วนะ